ทีนี้มารนี่ก็ช่วยส่งเสริมให้คนไปนรกเนี่ยเยอะมากนะให้กรรมใดแก่ท่านกรรมนั้นมันจะถึงตัวนะมารอย่างนั้นนะเดี๋ยวอนาคตมารก็ตกนรกเหมือนกันทีนี้ต่อไปข้อต่อไปห้าอมารผู้มีบาปอันนี้เป็นคําที่พระหมหาโมคคลานะพูดกับมาน่ะนะมารผู้มีบาปครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ผู้ทรงพระนามวะกะกุสันธะ ผู้เป็นพระอรหันตสั ม, มาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสมณนะพวกพรามเครือหบดีเนี่ยนะตอนนี้ถูกทูสีมานดนใจชักชวนให้เกลียดชังบอกว่ามาเถิดพวกท่านจงดา่าบริพาดเบียดเสียเสียดเีเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลมีกัลยาณธรรม ถ้าฉะนภิกษุเหล่านั้นถูกพวกท่านดา่าบริภาสเสียดสีเบียดเบียนอยู่จิตพึงเป็นอย่างอื่นโดยอาการที่ทูสีมานพึงได้ช่องมาช่วยกันดานะ่านัทธดาแล้วท่านจะเลิกเจริญศีลมาช่วยกันดามาช่วยกันเบียดเบียนเนี่ยนะมาช่วยกันข่มเหงท่านมากๆแล้วท่านจะเลิกเจริญสมถะวิปัสนาท่านจะได้เลิกศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามคาสอนเสร็จเสร็จเราคเนี่ยนะ ก็อย่าลืมว่ามารผู้มีบาปจะไม่หวังความพ้นทุกข์จะไม่หวังความสุขให้แก่ผู้อื่นเลยตรงกันข้ามเนี่ยนะเป็นใครว่าเป็นพวกที่มีใจดำค่อนข้างใจดำอมมหิตปราถนาความเสื่อมให้แก่ผู้อื่นเมื่อมารเนี่ยนะหาเรื่องทำอย่างนี้มากๆเข้าทาไงดีเนี่ยนะเมื่อมารหาเรื่องแล้วก็เปิดโอกาสให้ชาวบ้านช่วยกันด่าพระกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด พระพุทธเจ้าก็ก็บอกว่าเหตุการณ์ตอนเนี้เป็นแผนงานของมารทั้งหมดเนี่ยนะแล้วก็ประชาชนก็เห็นอารมณ์เหล่านั้นประชาชนก็ตอนนี้ก็เห็นด้วยเอาเธอพิกซูทั้งหลายมาเถิดพวกเธอจงมีจิตสหรคตมีใจประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งอยู่เถิดอน น, นก็คือชนเรล่าอื่นจะพึงดา่าอน น, นจะพึงดา่าบริพาสเบียดเบียนติเตียนเธอก็ช่างเถอะ เธอพึงเจริญเมตตาไปในบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยนะคนเราอื่นเขาจะดา่าเขาจะเบียดเมียนเขาจะดูหมิน่นเขาจะดูแคลนเหยียดยม้มอย่างไรก็ช่างเถอดเจริญเมตตาไปในเขาเหล่านั้นแล้วก็เจริญเมตตาในไปในสรรพสัตว์ทั้งหลายไปในทิศที่หนึ่งที่ที่สที่สามที่4เนี่ยนะมีจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาก็คือจยางเมย์อย่างเมตสูตรใช่ไหม ก็พ <formation> ึงเจริญเมตตาไปในสัตว <fit in> <quarto> ์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดหรือว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดนะพึงเจริญเมตตาไปในโลกทั้งสิ้นทั้งเบื้องบนเบื้องต่าเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะระว กว้างขวางหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาทแผ่ไปสวดสัพพะสัตว์ทั่วโลกทั้งมวล น, นะโดยความ เ, เป็นเมตตาที่แผ่กระจายหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ในทุกทิศทั้งเบื้องบนเ บ, บ, บื้องต่ําเบื้องขวางอยู่เถิดคือว่าวขอให้ดํารงอยู่ด้วยเมตตาเดินก็เดินด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตายืนก็ยืนด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตานั่งหรือนอนก็อยู่ด้วยใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาคิดถึงเบื้องหน้า คิดถึงทิศข้างหน้าเนี่ยนะข้างหน้าเราที่ตะวันออกทิศที่หนึ่งก็มีใจประกอบไปด้วยเมตตาขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดคิดถึงทิศใดทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกทิดเฉียงเฉียงทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเนี่ยก็ให้มีเมตตาขอเหล่าสัตว์ทั้งปวงที่อยู่ในตามทิศทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดอันนัให้อยู่แปลว่ายืนก็ยืนด้วยเมตตา นั่งก็นั่งพร้อมกับเมตานอนก็นอนอยู่ด้วยเมตตาเนี่ยนะยืนเดินนั่งนอนมีจิตประกอบพร้อมไปด้วยเมตตาทั้งหลา ย, ยานะพอเจริญเมตตาเนี่ยนะหวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเครื้อกูลต่อสรรพสัตว์แต่จริงๆแล้วสรรพสัตว์เนี่ยทาลายเอ่อทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนหรือไม่โดยปกตินะไม่ สร้างแต่เหตุแห่งความทุกข์ให้แก่ตนเพราะฉะนั้นเธอจงเจริญกรุณาไปในสัตว์ทั้งหลายว่าขอสัตว์ทั้งปวงปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายเธอเนี่ยนะขอสัตว์ทั้งปวงพ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโ ท, โทมนัตและอุปายาเธดสับพ้าทุกขาปมุนจันตุขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นทุกข์เธดเพราะฉะนั้นคิดถึงสัตว์ในทิศ ท, ที่หนึ่งเนี่ยนะคิดคนที่อยู่ข้างหน้าเราทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาเธด สัตว์ที่อยู่ในทิศเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องล่างทั้งปวงเนี่ยนะจงเป็นผู้ที่พ้นจากโสกปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเถิดเนี่ยนะก็เจริญกรุณาไปอย่างเงี้ยไปในทิศไม่มีเวรไม่มีศัตรูไม่คับแคบเนี่ยนะก็เจริญไปอย่างเงี้ยทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูมีใจอันสหรคตไปด้วยเมตต า, าการุณาเนี่ย ไปในทิศ ท, ทั้งสิ้นยืนก็ยืนด้วยกรุณาหวังว่าในายืนด้วยความคิดที่ว่าขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากโสกาปริเทวะทุกขทโทมนัตและอุปายาเถิดคิดถึงสุสัตว์ในทิศเหนือที่ใต้ก็คิดถึงใครก็ขอให้เขาพ้นจากโสกาปริเทวะทุกขทโทมนัตและอุปายาเถิดนั้นพระองค์ก็สอนให้พระพิสุนเนจรเงิญกรุณาเนี่ยนะจริญกรุณาว่าขอสัตว์ทั้งปวงพ้นจากเวร ขอสัตว์ทั้งปวงพ้นจากความเบียดเบียนตลอดเถิดเนี่ยนะแล้วก็มีเจริญจิตที่สหรคตไปด้วยเมตตาคือมีใจประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะก็คือสัตว์เหล่าใดที่มีความสุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นเถิดสัตว์เหล่าใดที่ที่พ้นจากทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ตลอดไปเนี่ยนะก็ยินดีด้วยนะกับสัตว์ที่มีความสุขดีใจด้วยกับสัตว์ที่พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะบันเทิงชื่นชมยินดี เพลิดเพลินกับเหล่าสัตว์ผู้มีความสุขผู้พ้นจากความทุกข์เนี่ยนะเรียกว่าดีใจสบายใจเต็มใจมีความสุขใจที่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเลยนะก็เจริญจิตที่หวังยินดีกับสัตว์ที่มีความสุขยินดีกับสัตว์ที่พ้นจากทุกข์เนี่ยนะเจริญกับความคิดแบบนี้ไปในทิศข้างหน้าทิศข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เจริญจิตอันประกอบไปด้วย มุทิตาอย่างเนี้ยไปในทิศเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางไม่คับแคบไม่มีเวรไม่มีศัตรูเนี่ยนะเจ ร, ริญไปในสรรพสัตว์ทั้งสิ้นมาขอยินดีด้วยดีใจด้วยกับสัตว์ที่มีความสุขดีใจด้วยยินดีด้วยกับสัตว์ที่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนะกระว่ารร่วมอนุโมทนาร่วมบันเทิงร่วมเพลิดเพลินดีใจกับสัตว์ที่มีความสุขดีใจด้วยกับสัตว์ที่เขาพ้นจากความทุกข์เนี่ยนะนนน hana, นนก็เจริญมุมทิตา ในนี้ก็เจริญอุเบกขาเนี่ยนะพิจารณาว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตนสัตว์ที่อยู่ในทิศ ต, ตะวันออกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนเบื้องตามเบื้องขวางทุกทั่วทุกทิศก็มีกรรมเป็นของของตนสัตว์เหล่านั้นมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเขาจะทํากรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเหล่าใด เขาก็จะได้รับวิบากกรรมตามสมควรแก่สิ่งที่เขาทำคำที่เขาพูดตามความนึกคิดของเขาทุกคนก็มาด้วยกรรมของตนเขาก็จะไปด้วยกรรมของตนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนอย่างนี้แหละก็เรียกว่ามีใจเป็นวางใจเอะทุกคนเขาก็มาด้วยบุญด้วยบาปเป็นของตนของตนนั่นแหละเนี่ยนะก็ทุกคนก็เรียกว่ า, วางใจเหมือนกับว่า ทุกคนเขาก็เลี้ยงตัวเองได้นะทุกคนเขาก็อยู่ได้ไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ขอให้ทุกคนอยู่อย่างเรียกว่าอยู่ดีมีสุขกันต่อไปนะวางใจเพราะทุกคนก็มีความสุขทุกคนก็พ้นจากทุกข์ไปแล้วก็ขอใหอ้พ้นจากทุกข์ตลอดไปเถอะก็วางใจเนี่ยนะเนะขาบอกว่าเมตตาก็เหมือนกับพ่อแม่ที่หวังความเจริญต่อลูกอนานารถนาให้ลูกประสบแต่ความสุขความเจริญกรุณาก็เหมือนกับว่าพ่อแม่ที่เห็นลูกเนี่ยหนักไม่สบายเป็นไข้หนัก หวังที่จะให้ลูกหายจากทุกมุทิตาก็คือดีใจที่ลูกเนี่ยน ะ, ะพ้นจากหมายความว่าเจริญเติบโตแล้วไม่โรคภยัคยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนส่วนอุเบกขาก็ดีใจที่ลูกช่วยเหลือตัวเองกันได้เนี่ยนะนะพอวางใจได้แล้วทุกคนก็ดูแลตัวเองได้ทุกคนก็ไปไดแ้แล้วเข้าไปดีมีสุขแล้วเนี่ยนะก็วางใจกันได้แล้วเนี่ยนะ แล้วนนก็เจริญอุเบกขาวางใจไปในสัพพะสัตทั้งหลายเนี่ยนะทีวางอุเบกขาวางตัตตะมัชตตาไว้กับสัตว์ทั้งหลายในทั่วทุกทิศทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีเวรไม่คับแคบไม่มีศัตรูพระพุทธเจ้าก็สอนให้พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยเจริญผ่อมวิหารทั้งสี่ประการครั้งนั้นภิกษุครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะที่ได้รับคําโอวาทพร่ำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า อรหรันต ก, กัุสัเ น, นี่ยนะพร่ำสอนทรงสั่งสอนพร่ำสอนอยู่อย่างนี้พระพิสุเหล่านี้จะอยู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็มีใจประกอบไปด้วยเมตตาเนี่ยนะเขาก็กเจริญเมตตาไปในสัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะ ขอให้สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเพิดก็เจริญเมตตาอย่างนี้อยู่ไปในทิศที่หนึ่งทิศที่สองที่สามที่สี่เนี่ยนะมีจิตสหรคตไปด้วยเมตตาที่กว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาทไม่มีศัตรูแพรเมตตาจิตอันนี้ไปสู่สรรพสัพตว์ในโลกทั้งมวลโดยมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงหมายคืว่า ปรารถนาความสุขให้แก่สัตวสัตว์ทั้งหลายเช่นกับตนตนเนี่ยปรารถนาความสุขเราเนี่ยว่าปรารถนาความสุขเราเองเนี่ยมีความสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเช่นใดก็ขอให้สัตว์ทั้งปวงเนี่ยนะเป็นผู้มีสุขมีความเกษมมีตนเช่นนั้นต่อไปเถิดยิ่งยิ่งกว่านั้นเถิดเนี่ยนะก็เจริญเมตตาอย่างนี้ไปในทั่วทุกทิศทิศทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางอยู่ คือพระพิสูุทั้งหลายก็ก็ปฏิบพระพฤฒปฏิบัติเนี่ยนะตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกประการเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสั่งสอนพระภิสูจทั้งหลายให้อยู่ด้วยกรุณาเพี้กสูเหล่านั้นไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่ง น, นะท่านเหล่านั้นก็เจริญจิตที่สหรคตไปด้วยกรุณา ไปแผ่การุณาเนี่ยแผ่ไปในทิศ ท, ที่หนึ่งแผ่ไปสู่ทิศ ท, ที่สองแผ่ไปในทิศ ท, ที่สแผ่ไปในทิศ ท, ที่สีเนี่ยนะมีจิตสหรคตไปด้วยการุณาอันกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาทแผ่การุณาไปสู่สัตว์โลกทั้งปวงโดยมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงคือมีใจการุณาไปในสัตว์ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบนืบ้องต่ำเบื้องขวางอยู่ นะพิสูจน์เหล่านี้ไปอยู่ป่าอยู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็มีใจเจริญด้วยมุทิตาเนี่ยนะมีใจประกอบไปด้วยมุทิตาเจริญอ่าเรียกว่ามีจิตสหรคตไปด้วยมุทิตาไปในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แผ่กรุณาเนี่ยไปในแผ่จิตที่ประกอบด้วยกรุณาอ่ามุทิตาเนี่ยนะไปในเป็นกรุณาที่กว้างขวางเป็นใหญ่เป็นมหคตะหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่พยาบาท แผ่มุ้ิีตาเนี่ยไปสู่สัตว์โลกทั้งมวลโดยมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอยู่ น, นะพระพิสุท์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็มีจิตประกอบไปด้วยอุเบกขาเนี่ยนะ แผ่ไปในทิศที่หนึ่งมีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่สองมีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศที่สมีใจประกอบไปด้วยอุเบกขาแผ่ไปในทิศที่4เนี่ยนะมีใจสหรคตด้วยอุเบกขาที่กว้างใหญ่ไม่นะกว้างขวางเป็นใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวทไม่มีพยาบาทแผ่อุเบกขาเนี่ยนะอันเนี้ย ไปในสัตว์ทั้งมวลโดยความมีตนทั่วไปในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําเบื้องขวางอยู่ถ้ายิ่งถูกด่าเท่าไหรก็ยิ่งอยู่ด้วยพรมิหารเท่านั้นก็อย่าลืมว่าต่อเมื่อใดสรรพสษษัตว์ทั้งหลายมากไปด้วยความโกรธเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องเมตตาเป็นหลักเนีนะ จะสอนพราะมิหารเป็นหลักคือถ้าหากว่าทุกคนเครียดหงุดหงิดทุกคนไม่สบายใจอึดอัดเนี่ยนะก็ทุกคนก็เพ่งโทษซึ่งกันและกันคนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ใช้ไม่ได้คนนั้นก็เลวเหลือทนเป็ตน้นเะนี่ยนะก็เริ่มมีจิตกันแนะกันแนกระทบคนนี้ก็เทียบคนนั้นเน็บคนนี้ทิมคนนูน้นเป็นต้นพระองค์ก็จะสอนให้เจริญเมตตาเนี่ยนะทีนะ่ให้ขอให้ทุกสัตว์ทั้งปวงมีความสุขขอให้สัตว์ทั้งปวงพ้นจากทุกข์ด้วยกรุณายินดีกับสัตว์ที่มีความสุขพ้นจาากกควมทุ แล้วก็จะใส่ใจเธอว่าสัตว์ทั้งปวงเขาก็มาตามกรรมของเขาเขาก็จะไปตามกรรมของเขาเราก็จะวางใจเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปเอาผิดเอาถูกเอาเรื่องเอาราวกับคนโน้นไปยุ่งกับคนนี้เป็นต้นเนี่ยนะไปบริหารจัดการคนอื่นทั้งๆ ท, ท, ท, ที่เขาไม่ได้อยู่ในโอวาสอะไรของเราเนี่ยนะก็คื อ, ค, อคือไม่ไ ม, ไม่มีอ่าเราว่านั่งจัดสรรคนอื่นแล้วก็ไม่ได้มีผลประโยชน์งอกเงยนอกจากอากุศสลจิตของตนมันแบ่งบานขึ้นเนี่ยนะ ทีนี้ยิ่งถูกด่าเท่าไราก็ยิ่งอยู่ด้วยเมตตาขึ้นเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นทีนี้มารก็ปรับแผนพระพิสุขันอยู่ด้วยเมตตากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วไงดีข้อห้า้อยหดูก่อนมารผู้มีบาปนะพระโมคคัลลานะพูดกับมารมารผู้มีบาปทูสีมารคือเราในอดีตชาติเนี่ยนะมีความคิดขึ้นมาว่า เราทำอยู่ถึงอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ความมาความไปของพิสษุทั้งหลายผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเลยนนถึงจะชวนชาวบ้านด่าขนาดไหนพระพิสูจ์ผู้มีศีลมีธรรมท่านก็ไม่ได้เสียกำลังใจเลยไม่ได้มีเสียกำลังใจในการปฏิบัติเลยท่านเหล่านั้นยังเจริญอยู่ด้วยอธิศีอาธิาธ จ, จิตและอาธิปัญญาเพราะฉะนั้นเราจึงไม่รู้ว่าความมาของท่านใน ปฏิสนธิคติของท่านไปอย่างไรเนี่ยน ะ, ะปฏิสนธิของท่านเนี่ยเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดราชานมนุษย์เทวดาพรหมเป็นต้นก็ไม่รู้หรือว่าความไปในคติทั้งห้าก็ไม่รู้เพราะสรุปว่าเราแกล้งหาเรื่องแผนของเราเนี่ยนะชัยให้พวกชาวบ้านเครือหาบดีช่วยกันด่าพระแต่ก็ยังสรุปว่ายังไม่รู้ว่าท่านไปอย่างไรกันเพราะโดยมากท่านเหล่านั้นเป็นพาะอาหัรกันเนี่ยนะก็เลยไม่มีปัญหาอะไร